วางทำต่อเพื่อให้เป็นแบบส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมให้เป็นคู่มือให้ได้ยินได้ฟังทำตามความได้ยินในฟังนั้นเรียกว่านำไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วจำเอา ที่พูดดีพูดให้ไปทำทำตามคำพูดรับลงคำพูดว่าใช่ได้ไม่ผิดเช่นเวลานี้เรามาเจริญสติกันให้มีศรัทธาในการทำเรื่องนี้ ศรัทธาต่อการเจริญสติก็คือศรัทธาต่อวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้แต่วิธีนี้ตอาให้เกิดการเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากสามัญชนเป็นพระพุทธเจ้าเราให้มีศรัทธาอย่าเบีเ่ยงเบนเอาเหตุเอาผลของตนเองไปแยกแยะ อย่าวาั่ไว้เรื่องในเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติมันก็มีพลังศรัทธาเป็นพลังจวมีวิธีปฏิบัติลงไปรวมกันอีกรวมความเพียรทำตามที่เกิดศรัทธา ถ้าทำอย่างนี้เราก็ทำความเพียรประกอบความเพียรมีสติลงไปอีกอะไรไม่จะเหลือมีศรัทธามีความเพียรมีสติลงพื้นที่ในกายในใจเรานี้ให้มันเต็มตัวตาเต็มตัวนอจากไหนอะไรเอ่ยตาเต็มตัว กาเต็มตัวคือสติอะไรมามาอยู่ที่กาที่ใจนี่มีสติเป็นเจ้าของบอกสิ่งที่มานั่นคืนไปบอกคืนนั่นหละคือสติไม่ต้อนรับั่นหละคือสติไม่ให้ค่านั่นหละคือสติ ไม่ให้ที่อาศัยนะั่นหละคือสติมีสิทธิอย่างนี้เวลานี้ให้มาใช้สิทธิอย่างนี้ให้เต็มที่อย่าไป อ, อ่อนอะไรอ่ อ, อนอกับเรื่องใดจ่งได้จะเกิดขึ้นมาในเวลาปฏิบัติก็พยายามใช้สติ บอกคืนไม่ต้อนรอบไม่ค้ามให้ที่อาศัยนี่ดวัตาเต็มตัวเป็นเจ้าของแต่ก่อนนี่เราไม่คิตเราที่มีกายมีใจไม่มีอะไรเป็นเจ้าของจริงจังเขาขิ้วไปที่ไหนก็ไปสวางความคิดก็คิดได้แต่พื่อแต่เพื่อขิวไป โดนฉกเป็นทุกข์ผูกความคิดร่างกาก็ทําไปตามความคิดบางทีกาใจไม่เบียดกายใจไม่ไม่สมานสมัครีกันเบียดเบียงกันกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายเป็นอะไรใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างไงกายเป็นอย่างนั้นถ้า แ, แต่เขาจะมาใช้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะคุ่มครองตัวเองจนความคิดออกจากความคิดก็ไม่เป็นคิดขึ้นมานอนไม่หลับคชื่อกลนมาน้ำตาร่วงน้ำตาไหลแค่นี้าอาศัยใจก็อาศัยไม่ได้ กลมไหลมดีผู้ผู้แพบแปรบหลัดนี้เรา ม, มาใช้สติของเรามีสติเป็นเจ้าของอะไรมาก็รู้อะไรมาก็รู้เรามีอยู่แล้วมีสติเป็นเอกาอยู่แล้วหัดประพฤไม่ใช่มาเมรียนรู้มาประหัด เอากายเป็นวัตถุอุปกรณ์สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาหลายอย่างที่เหมือนเกิดกับกายเอามาเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ยืนเดินนั่งนอนรู้เหยียดเคลื่อนไหวรู้ได้จับจุดใด จ, จุดหนึ่งเราจะไม่หนีจากที่นี่ เราจะใช่อยู่ที่นี่เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสิท ธ, ธัตถะได้ตั้งสัจจะที่ฐานในวันการในวันเพ็ญเดือนหกนั่นเวลานั่นน่ะก่ันตัดจะลูนในคืนนั่นว่าเลือดเนื้อเงอเอ็นกระดูกแกผูพังไปก็ต า, ามจะไม่หนีจากที่นี่ แต่ไม่บรรลุธรรมไม่ถึงโลกุตธรรมตายเป็นตายนี่คือสัจจะอธิษฐานชูไดทุกอย่างปีนี้ไปดูข้อสอบนักธรรมชั้นโทเขาก็ถามอย่างนี้ในขณะที่พระเจ้า เป็นปฏิบัติทรมอยู่ในปรมสีสิบนั่นข้อไหนที่เอาชนะมารได้ก็คือเสจยอีิฐานตัวนี้มารที่มาเกิดมากิเลสมารขันธมารมัจจุมมารสังขารมาร เทพบุตรมานที่มันจรมาต้องสอเจาะตัวนี้ไว้เสมอตายเป็นตายบางทีก็มีเทพบุตรมานเห็นความลำบากเห็นความสะดวกเจ้าฝ้าชายอย่ปจารสจำเลด่ดูมานั่งอยู่ใต้ต้นโพ มันก็ต่างกันอยู่คิดเห็นความสะดวกเข้นถึงความสุขในรงล่วมของเสาสนุมกันน้นใ น, นก็ยอมเหตุผลก็ยอมเกิดขึ้นแต่เอาชนะมันได้ด้วยต้องสจจกไว้แล้วไม่ไปมันคิดไปก็หมายไปหรือนี่ความคิดกับเป็นความรู้ อะไรก็ตามที่มันเกิดมาที่ไม่ใช่จิจะเกิดทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจรูปในรสในกลินในเสียงอาการตา่างๆที่เกิดขึ้นเกิดปา ก, กับใจมีสติโต้ตอบทักท้วงโบกขึ้นไม่ตน้นลบไม่ค่าไม่ใช่ที่อาศัยเออ้อมหลงกายเป็นของลูก ความทุกข์กลายเป็นความรู้ความโศกกลายเป็นความรู้ความผิดกลายเป็นความรู้ความยากความง่ายกลายเป็นความรู้มันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมเปลี่ยนร้อยเป็นดีอย่างนี้หลงทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีหลงรู้มันหลงหลงรู้มันขนาดที่มันหลงเอาความหลงมาเป็นสิ่งที่รู้ได้เอาความทุกข์มาเป็นสิ่งที่ให้เกิด ความรู้สึกตัวได้ด้ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ทําได้ทําได้ทํำย่อมชนะเอาธรรมอยู่เสมอหัดทําอย่างนี้หนึ่งวันเจ็ดวันมันจะเกิดอะไขึ้นหนึ่งวันเจ็ดวันมันจะเกิดอะไขึ้นมาเปลี่ยนล่ยเป็นดีอย่างนี้แน่นอนความรูกของคู่กับความหลง ความทุกข์คู่กับความไม่ทุกข์ความโกรธู้คู่กับความไม่โกรความเกลเจเจ็บตายคู่กับความไม่เกลไม่เก็บ ไ, ไม่ตายมาเพิ่มกันอย่างนี้เรามีสติทำใจไม่ใช่ไปทำกายทำใจใจนี้มันเปลี่ยนได้ทุกอย่างกายมันอาจจะเปลี่ยนมาได้มันหนาวก็ต้องห่มผ้ามีวัตถุที่หที่สองก็ไปเกี่ยวข้อง ส่วนจิตใจของเราเนี่เปลี่ยนในตัวมันเองในหลงมันก็ไม่หลงในทุกข์ก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไปอยู่ที่ใจบาเพ็ญทาง จ, จิตใจปฏิบัติธรรมมันก็เรื่องของจิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดชะลูกเป็นกนารตัดชะลูกตามจิตบําเพ็ญทางจิตแต่จิตนี่ไม่มีตัวไม่ตนจบไม่ได้ แล้วจะจับกิจมาฝึกมันก็ไม่ได้เราจึงมาหัดกายต่อัคิดไปไมาได้หัดกิจจะมาลู่ศึกตัวที่กายนี่ที่แรกก็ทําอย่างนี้เรามันชกมันทุกข์ไปก็กลับมารู่ที่กายที่มันเคลื่อนไว้อยู่นี่มาให้เงื่อนขไขมันกลับมานี่ ไม่ค่าเอาวัตถุอุปกรณ์เป็นสิงที่นิมิตที่เกาะอาศัยหัดใหม่ๆอยาไปสู้กับจิตไม่อยากทำคิดกดเอาไว้บริกรรมเอาไว้หลับตาเอาไว้ไม่สาเร็จแบบนั้นไม่สาเร็จเกิดก่อนวิธีวิปั จ, จนากรรมฐาน หลายรอยหลายพันปีนี่วิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ปฏิบัติตามพี่ทำให้เกิดการตัดสู้ขึ้นมาเนี่ยคือการเจริญจิตนี่ในคืนวันเป็นเดือนหกนั่นจิตตนั่งคู่แขนงเข้าลู่เฉื่อยแฉ่งออกลู้เึก คิดไปกลับมาลู้สึกอะไรเช่มันเกิดขึ้นมาในเวลาที่นี่ก็ลู้สึกนี่เวลานี่ไม่เช่หมันนั่งคิดถึงลูกถึงเนื้อถึงงานถึงการถึงคนล่คนช่างกบมาลู้สึกตัวนี่ไปที่ไหนกลับมาปฏิปฏิบัติปฏิก็คือโต้อตอบคือกลับมามาหาที่ตั้งตุขังเทียมมันหลงไม่เป็นความรู้ ทุกขังที่มันทุกข์ให้เป็นความรู้ทุกขังที่มันสุขมันเป็นความรู้ทุกขังที่มันผิดให้เป็นความรู้ทุกขังที่มันถูกให้เป็นความรู้ทุกขังที่มันยากให้เป็นความรู้ทุกขังที่มันง่ายเป็นความรู้ขึ้นมาเปาว่าที่รู้ตัวเดียวมันตัวเฉลืยได้ทั้งหมดจริงที่เกิดขึ้นเกิดไปกับ ใ, บใจนี่ ผมรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยได้ทุกเรื่องทุกอย่างเราพยายามใช่ลงให้ฉุดฝีมือจะหลุดไปง่ายๆอาเฉยนิมิตเกาะไว้กลับมาหาที่ตั้งราต้องใันชำนาญหัดทำให้รู้ที่กายมาจัดชำนาญถ้าไม่หัดมันไม่ชำนาญมันจะหลุดไปกับความคิด ถ้ามีความรู้เฉกตัวที่กลายเป็นที่ตั้งเป็ที่อาศัยแล้วเหมือนหลุดไปไม่ได้กลับมาเหมือนลอยอยู่กลางน้ำไหลเราอาศัยเกาะหลักเกาะไม่เอาไว้ในกลางน้ํานั้นเหมือนตอกลางน้ำไหลเรากเกาะอยู่นั่นน้ําไหลไปถ้าบางเมื่อได้ก็ไหลไปเราเกาะให้อยู่ให้อยู่มันก็ผ่านไ้อยู่ที่นั่น ความหลงความทุกข์ความสุขเหมือนน้ำเหมันไหลผ่านไปความหลงผ่านไปความทุกข์ผ่านไปทวนองไว้อย่างนั้นผ่านหลงกีครั้งผ่านทุ ก, กข์จีครั้งนั้นอ้ประมาประม า, ะมาแต่ความหลงนี่ไม่ไม่ไหลเหมือนน้ํามันมาเป็นครั้งเป็นคราว ความทุกข์มันจรมาเป็นข้างเป็นข่าวมันเพรียดนุชใสมันใช่นอนเนืองเราที่มันเกิดกับการกับใจวันจรมาเป็นข้างเป็นข่าวมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็รูเปลี่ยนหลงเป็นรูลอยข้างพันหนเปลี่ยนผิดเป็นรูลอยข้างพันหนเปลี่ยนทุกข์เป็นรูลอยข้างพันหุนแล้วก็ ประสบการณ์บทเรียนมันก็ต่างอยู่ระหว่างหลงระหว่างรู้ตางอย่างนี้ระหว่างทุกข์ระหว่างรู้อะไรก็ตามมีความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันต่างกันอยู่ต่อไปความรู้สึกตัวจะเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ ใ, หญใช้ตาใช้หูใช้จมูกเรื่องกายใจใหญ่ ติเอ็นซีมันจะใหญ่เมื่อบนใหญ่มันก็มีอำนาจเมื่อมียมหน้าก็ปกครองได้ของกายคล้องใจได้แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าเราทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเนียเปลี่ยนหลงเป็นลูกวงลูกก็ไม่มีไม่ได้อย่างลากหลงที่กายที่ใจไม่มีที่ตั้ง หรือมันมีมันไม่ได้อาหารรวมหลงไม่เป็นหลงแล้วหลงเป็นหลงหลงมีอาหารกินทุกเป็นทุกทุกมีอาหารทุกตื่นเลยก็เป็นทุกทุกทีบัดนี้หลงเป็นลูกนี่วมหลงไม่ได้อาหารแล้วทุกเป็นลู่นทุกก็ไม่ได้อาหารแล้วเมื่อไม่ได้อาหารมันก็หดแห้งได้หรือโบดไปได้ หงันเกศวันอาจจะบวไดอ้อย่างกลางนเดือนถึงเกดเดือนอาจจะบวได้1ปีถึงปีที่สุดบวได้กุศลแลบวได้มีกุศลกรรมเกิดขึ้นแทนได้ง น, นกับแต่ก่อนนี่้ปี10ปีแถวนี้มีปา่ายญาคาป่าพง เติมไปหมดไฟไม่รูปท่วมยอดไหม้ล้นเดี๋ยวนี้มันไปไหนเพราเราปลูกป่ามาเทียนอยากญ้าคาเนื้อป่ามาขึ้นมาห่้าคาก็หมดไปไม่มีสักเช่นเดียว นี่ปูสติลงไปที่กายที่ใจเรานี่อะไรใช่ไม่ใช่สติมันจะหมดไปสติเป็นหน้าโลกสติเป็นธรรมเป็นไม่ไหนไปเลยเหมือนพระขีน่น้าศกก็มีสติเป็ น, นไม่ไนมีสติเป็นธรรมพระขีน้าศกคือพระละหันไม่เผลอเลยสติเป็นหน้าโลก เดี๋ยวนี้เราไม่มีสติายเถื่อนใจเถื่อนมีใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างรายกลุ่มร้ายกลุ่มดีผู้ผู้แพลแพลเมาเราลองให้ดีใจเสียใจนั้นมีอะไรมาพงมาย่อ ม, มัน เหมือนใจมันเถื่อนเก็หิ้วไปไหนก็ไปโฉบไปนี้ใจโสบไปนี้จิตสมสน่นคิดอะไรก็คิดได้เมื่อเรามามีสติเราโทเพียงแต่ความคิดก็อ่อยอ่อยความคิดรวมคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นมันคิดขึ้นมาเองนั่ น, นละตัวสมมุติไพรสังขารอันความคิดตั้งใจมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก คิดเกียกคิดด้วยซ้ำไปอันความคิดที่ไม่ไตั้งใจน่ะมันอาจจะยิ่งใหญ่ปรุงแต่งอยู่เสมอเมื่อเหมือนเกิดการปรุงแต่งมันก็เป็นพระต่อรูปกินเหล้าจูกุลีเที่ยวเตะเล่หลอนแล้วแต่มันจะปรุงไปไหนหอผพิวไปกังค่ำมาดึกกลงคืนไม่ได้หลับแล้นอนก็มี ผิดเป็นถูกก็มีท <c oughs> ต, ตามความโกรธก็มีทำ ต, ตามความทุกข์ก็มีเฉียบเบียดความโกรธเฉียบเบียดความทุกข์เท่าไหร่ผิดพลาดการใช้ชีวไม่ถูกต้องเป็นผลกระทบต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นบุคคลอื่นตัวเราด้วยแม้กระทั่งเก็บใข้ได้ป่วยมันก็เป็นเหตุที่เราปฏิบัติตัวเองไม่ถูกต้อง เราจึงเมื่อมีสติปันเจ้าของให้มันได้เป็นประโยชน์ถ้าเรามีสติเป็นเจ้าของทำลายอากุศลลงได้หมดมีกุศ ล, ลขึ้นมาแทนจากความโกรธกลายเป็นเมตตากุณาขึ้นมาแทนที่จากความหลงกลายเป็นความรู้จึกสติปัญญาขึ้นมาแทนที่ได้ปัญญาจากความทุกข์เป็นถึงพระพุทธเจ้านะ ตื่นทุกหนึ่งไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยนะเป็นถึงพุะทีเจ้าได้ทุกเทแท้ทําไมเป็นพุะทีเจ้าแต่ปุถุชนทุกเทแท้ทาไมเป็นสัตว์ในโลกได้เนี่นแต่เราจะใช่อย่างไงมันมีคู่มืออยู่อะไรอะไรย่อก็มีคู่มืออยู่ในโลกนี่นันก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เป็นศาสตร์ของเขาอยู่ ศาต์เรื่องนี้เราจะาไดดเห็นตั้งแต่พระชนมายุ16หพรรษาประภาสกุงกับบิณภัาตเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บ ค, ค, คนตายเห็นสมณะถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ต่อเจ้าปู่พระเจ้ายา่าพระเจ้าตาพระเจ้ายาญ่ไม่มีใครตอบได้จะทำยางไง เห็นคนตายก็มีแต่ต้องให้เสียใจตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บแย่ เ, เป็นแย่อยู่อย่างนี้จิตตาคก็บองเป็นสองมุมเมื่อมีความแย่ก็ต้องมีความไม่แย่เมื่อมีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายก็ต้องมีความไม่ตายคิดอย่างนี้ไม่ยอม ตอนน้าเป็นเจ้าพ่อชายก็ต้องอกศึกษาแล้วนี่จนได้คิดด้วยจนพระจนมายุอีบก็วพรรษาใบเรารับไปชอบเรานี้มาศึกษาไปศึกษาดู อ, อกปีจึงได้คำตอบอย่างนี้ในคืนที่ตัดจะลูกม็มานั่งคู่ฉันกข้ อย่าเฉื่อโนกู้จึตตัวมันคิดถึงคพีมพากลับมาออก็หัดกิดแล้วว่นสอนกิดแล้ววะนห้าปีแรกทำอย่างอื่นทรมานร่างกายอดข้าวอดน้ำนอนเที่ยนอนหนำในสม็ยแบบนี้พวกเรามาหดฝึกตรงนี้เลยกายก็เหีมา เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้จัก ต, ตัวขึ้นมายิ่งวิธีกรรมฐานทุกวันนี้เดฒนามาตั้งแต่ยุคหลวงพ่อเทียนสอนมาเนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่า เ, าเราจะเญอยู่ท้องเมืองเราแล้วก็ยิ่งชัดเกณฑ์แม่นยำมากขึ้นทุกวินาที จิตจังวะวินาทีละลู่ดูซิว <c oughs> ินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งเนี่ยมันเพียงพอเป็นอุปกรณ์มือก็มีกายก็มีนี่มีสติลูดได้จิตสี่จังวะ1ิรสี่ลู่ลูทุกวินาทีลูทุกวินาทีอย่าไปนั่งเฉย เราคลื่อนไหวมาผีๆบรรณาแล้วอาศัยการเคลื่อนไห ว, ว, วปลูกสติเดินก็ให้รู้สึกตัวมันคิดก็ให้รู้สึกตัวตาเห็นรูปก็รู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสให้รู้สึกตัวเวลานี้จึงได้ว่ามาเข้ากรรมหรือว่ามาทากรรมมาทำำํากรรมดีให้กรรมดีมันปรากฏ ถ้าไม่ทาทุบล้อยคมดีแล้วแต่มันจะเป็นไงไม่จัดเจนไม่ชัดเจนไม่แ ม, ม่นยําลัวก็ผ้าผ้าหลงก็เป็นหลงทุกก็เป็นทุกมันไม่ได้ปฏิบัติต่างกันกับพูดปฏิบัติผู้ ป, ปฏิบัติเวลาหลงเขาลู่เขาจะยิ้มยิ้มในเปลี่ยนหลงเป็นลู่มันเป็นความชอบที่สุด หรเวลามันเป็นทุกข์ได้เปลี่ยนทุกข์เ ป, กเป็นความรู้นี่ลองดูสิหีือเริมันโกรธได้เปลี่ยนโกรธเป็นความรู้ลองดูสิใส่ใจตรงนี้สักหน่อยดูสิอย่าให้มันผ่านไปฟรีๆเชื้อดายนะเชือดาความหลงที่เป็นความหลงน่าจะหลงเป็นความรูม้ง่ายง่ายแต่ให้ความหลงเป็นหลงมาจะหนักกว่ากันนะให้สัมผัสดูดีๆน้องจิตวิญญาณ สนจิตบิญญาณเราให้สัมผัสเวลาหลงให้รู้หรือเวลาโกรธให้รู้เนี่ยเวลาทุกข์ให้รู้เนี่ยเวลามันร้อนให้รู้เวลามันหนาวให้รู้เวลามันหิวให้รู้เวลามันปวดมันเมื่อยให้รู้วมรู้ไปอยู่ที่กายที่ใจไม่หนักเหมือนกับความโกรธความโกรธมันจะหนักต้ า, ตาดมได้รังข้า ม, มเกียด ไม่ปกติไม่มีความลูด้ดูเจ้ถ้าไม่มีอะไรให้ลู่ก็กลับมาเคลื่อนไหวมือนี่เวลาวันโกดขมันกะวากำหนดมือให้ลู้สิกตัวหนิอย่าไปอยู่กับอารมณ์โกดกับมาลูกกลับมาลู้ลลนี่นี่มันมีสิ่งที่เฉลีย่ยทำให้เบาได้ทำให้หมดได้มีนีมิดมีเครื่องมือเนี่ย เหมือนเครื่องเหมือนขุัญแจเหมือนโนตที่มันขันเปิดด อ, อกหรือเหมือนขุัญแจกมันใส่เราลูกขุัญแจใส่มันมีเปิดได้เราไม่ใช่กาอย่างนี้ไม่ใช่ความรู้จึกอนี่ดูแลตัวเราทําได้ทุกอย่างจิ๋งด๋อที่เกิดขึ้นกับปากกับใจให้เป็นความรู้เนี่ยมาทําอย่างนี้ ใครหลงมากก็ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้มากดีใครคิดมากก็ได้เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้มันดีแต่บางคนเอาความคิดมาเป็นความเครียดความยากมันคิดมากหลงตามันคิดมากเครียดมากอ้าวมันใช่รักปฏิบัติมันคิดมากก็รู้มันมากมันจะรู้สึกมันจะบรรลุทําได้เพราะมันคิดนั่นแหละต้อเห็นความคิดอะ แล้วมันไม่คิดอะไรนี่มันจืดมันต้องเคลื่อนไหวถ้ามันคิดเราเดีรู้มันเนี่ยเออาศัยการเคลื่อนไหวดึงกลับมาเหมือนกับเป็นอย่างนั้นนี่คือหัดตนสอนตนอย่างนี้ช่วยตัวเองอย่างนี้ตัวใครตัวมันตัวเราหลงเราก็เปลี่ยนหลงเป็นรั่วเองไม่มีใครช่วยเราได้ เว่มหลงเกิดขึ้นกับผู้ใดไม่ต้องไปถามใครผู้หลงจะต้องเห็นเองนี่เรามีสติเปลี่ยนหลงแล้วมันหลงมาหมดไปมีสติขึ้นมาก็ไม่ต้องไปถามใครหลงหมดไปหรือยังมันเป็นจตัจจตังมันเป็นปรมทติมันเป็นบัณฑปรมัทิต จ, จปมาทิตจต ไม่ต้องมีคำถามแต่สมมุติบัญญัติมีคำถามสมมติบัญญัติมีคำถามปรมัดสัจจะไม่มีคำถามสมมติบัญญัติจนชุ่โกดิเป็นสมมติบัญญัติ ก็มไม่โกรธเป็นปรมาจิตเจริญความทุกข์เป็นสมุติบัญญัติก็มไม่ทุกข์เป็นปรมาจิตเจริญจะออกแบบไหนเลือกได้ชีวิตนี้เลือกได้ชิที่ได้ไปเจเวลามันโกรธมีชิตที่ไม่โกรธไม่ต้องขอญาตใครเวลามันทุกข์เรามีชิตที่ไม่ทุกข์นี่ชีวิตนี่มันเลือกได้อย่างนี้เคยไหม เวลามันโกรธมีสิทธิใช่ความไม่โกรธบ้างไหมหรือว่ายอมมันไปเลยให้โกรธเป็นความโกรธทำตามความโกรธถูกความโกรธหลอกเสียเปียบของโกรธผิดพลาดไปแล้วทะเลาะกันแล้วเวลามันหายโกรธอายกันเราไม่รู้จักเข็ดหลับหลับใช่ความโกรธทุกครั้งทุกคราวที่มันโกรธขึ้นมา นำใช้ความทุกข์ทุกขังทุกข่าวหรือเป็นขี้ข่าความโกรธเป็นขี้ข้าของความทุกข์มีการวิจัยเพื่อรับใชยอย่างนี้แล้วก็ทำได้สําเร็จทํำความทำโกรธได้สาเร็จฆ่ากันตายทําให้คลันเดือดร้อนทนทั้งทั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตัวนั้นของโกรธต่างมันเป็นอาการเมื่อเกิดกับจิตใจ เราต้งว่าเราซะเมื่อเรามองปฏิบัติไม่เห็นอย่างนี้ไม่วิ็นอ า, าการเห็นรูปเห็นนามเป็นรูปทํานามทํามันเป็นอาการเกิดกับกายกับใจหลงโกรธเป็นาอกนาการเกิดกับจิตใจไม่ใช่จิตใจนะอย่าไปทําตามา ม, มันจิตใจมันบริสุทธิ์อยู่ เ, เดิมเหมือนผ้าขาวสะอด แต่สิ่งที่มาเปิดเพื่อนไม่ใช่ผ้าซักออกได้อารมณ์ที่มาย่อมจิตมันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเกิดกับจิตเฉยเฉยมันเป็นคู่กันจิตใจคู่กับอารมณ์ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงแต่ตรงที่มันสัมผัสกันนี่ไม่มีสติลองรับมีสมมติบัญญัติไปลองรับให้ ให้เกิดสมมติบัญญัติว่าพอใจไม่พอใจบท น, นี้เรามีสติเป็นเจ้าของมีสติให้ความเป็นธรรมรู้สึกตัวขึ้นมาสมมติบัญญัติไม่เกิดมีจะแบบมัดชัดเจะเกิดมาต้อนรับเห็นความเป็นจริ ง, ต า, ารงาตามความเป็นจริงนู้เห็นความโกรธตามความเป็นจริงนี่มันไม่ใช่จิต เป็นอาการที่มันจอนมาเป็นอาคารตกกะเหมือนพุทธเจ้าว่าปัพพัชชะละมิตังพิกเวจิตตังตัณจะโขกันตุเกหิอุปัจิเลหิอุปัจิลิถังก็ไปนะพูดภาษาบาลี อ, าอ้างอิงจิตของเราเนี่ยปพัพสอนของใสอยู่เสมอจะยินหม แต่อบัติเหตุมันจรมาทําให้เศร้าหมองพพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เห็นด้ว ย, ยไหมอนชีวี <c ười> อาการตัวกะมันมาจะต้อนรับไหมต้อนรับก็มาบ่อยนะฮต้อนรับอาการตัวกะเราก็ขึ้นบ้านบ่อยมาที่ไหนก็ผู้จัดผู้เชื่ยต้อนรับมันก็มาบ่อย มาที่ไหนทำลายทุกทียังต้อนรับมันอยู่อาคารตึกอะมันจรมาไม่ใช่เจ้าของเจ้าของแต่เดิมมันบริสุทธิ์อยู่เหมืนบ้านหลังนี้เหมือนจิตอพระมาอยู่แม่ชีมาอยู่นักปฏิบัติอยู่สะอาดเรียบร้อยถ้าหมามาอยู่สะาดไหม มไม่สะ อ, อาดนี่จะทำลายนี่ใจของเราเนี่ยพระประโยุสาพระคือประเสริฐเลือจากสิ่งที่ทําไม่ไม่สิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาปไปอยู่ใจประเสริฐพัฒนาวัฒน์ดีขึ้นความหลงกับความรู้ ความหลงมันไม่ถูกต้องโคมลู่ฉึกตัวมันถูกต้องจนเนี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่างนี้นะเราจะมาช่วยตัวเองหรือใจเราให้ใครช่วยจะหัวเลาะร่องไห้รอยรับทุกรอยรับทุกสารภาพจำนวนหรือมันโกดที่ใดก็จำนวนนะทำายาะฉะนั้นหนะยุดวันนี้เอาเป็นสติวันนี้เอาเปิดหน้าอกวันนี้ ได้เปี่ยนหลงเป็นลูเห็นความคิดนี่ทถกความคิดที่ไม่ตั้งใจมันมีสองอย่างนะความคิดเนี่ยตัวสติจะได้เห็นมันความคิดนี่ไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไม่เคยหยุดความคิดตัวเองสักทีแต่ก่อนนั่นบัดนี้ได้เห็นความคิดนี่มันได้เปลี่ยนเป็นลู่เนี่ยมันสมน้ำหน้ามันแล้วสมน้ำหน้าความคิด ตัวสมุทยสังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันคนการชอบที่จุดนี่คือมนุษย์และตรงนี้นะมาไลา่ไปดีทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีจิติอยู่เวลานี่ก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วแต่ถ้าเรามีความหลงเป็นคนละคนกันไป ถ้าใครหลงก็พึ่งตัวเองมาได้ถ้าใครรู้จักตัวก็พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้วัตถุอื่นเจืออื่นก็พึ่งได้จะเป็นมิตรภาพสันติสุขขึ้นมาได้จริงๆถ้ามีสตินะพึ่งพลาเส่กันได้ช่วยกันเป็นเพราะเห็นอันเดียวกันความโกร ก, กก็อนเดียวความทุกข์ก็อนเดียวไม่มีงอกขึ้นมาเราก็รู้จักกันได้เห็นกันได้แต่ช่วยกันยิ่งเป็น สังคมผัวเมียลูกหลานพ่อแม่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งจะโอกาสช่วยกันได้ดีแล้วก็จะเป็นถินทรรมขาำจูนโลกอยู่ได้อย่างสงบสุขปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยหมดภัยไม่มีภัยต่อตัวเองและคนอื่นเรียกว่าอราิยะบุคคล อาเลียปกคนแปลว่าผู้ไม่มีภัยตัวผู้ตัวตัวเองได้คนอื่นนี่คือธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติช่วยตัวเองให้เป็นต้องมาช่วยตัวเองเหรออะไรมันจะเกิดขึ้นเบื้องหน้ามีทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วตุกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ตกคมทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วพอจะรับทุกข์ตัวเจ็บเจ็บตายเจ็บก็เจ็บไม่เป็นเจ็บก็เจ็บไม่เป็นตายก็ตายไม่เป็นจะทำยังไงแต่หลงก็เปลี่ยนรูปไม่เป็นเนี่ยม่ก็จะหนักไปเรื่อยๆแล้วถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปไม่เป็นเน่เปลี่ยนโกรธเป็นรูไม่เป็นเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปไม่เป็นเนี่ยมีทางที่ ไปสู่อบายได้มากที่สุดทุกได้มากที่สุดแต่เรามาเห็นมันใช่ไหวิธีปฏิบัติจึงพูดเป็นภาษาสรุปสรุปว่าให้เห็นอย่าเป็นให้เห็นอย่าเป็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงค้นจากคมหลงเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากคมทุกเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดเห็นมันแก่ เห็นมันเจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายไม่ได้ตายผู้ความตายมันเห็นภาวาที่เห็นนี่คือชีวิตจริงๆภาวาที่เป็นไม่ใช่ชีวิตเลยภาวาที่เห็นนี่คือชีวิตต่อยอดจากภวะที่เป็นมาได้เห็นได้เห็นมันหลงไม่ไม่หลงราะความหลงเนี่ยคือชีวิตมันเกิดจากนี่มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันเกิดจากในชีวิต ถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่ได้ชีวิตแล้วมีแต่สังขารร่างกายเกิดขึ้นแล้วแจ็เก็บตายไปไม่ได้ประโยชน์จากสังขารร่างกายนี้สังขารร่างกายเปิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลบม่ได้ใช่แล้วเป็นมรรคเป็นผลเราจ่คอยรอวันเจอวันเจ็บวันตายเฮ้ยเจ่ตายเก็บตายทุกนาทีเกิดดับเกิดดับ เราจึงมาต่อยอดกรมหลงเป็นกรมลูกโด้ยอดใหม่กรมทุกเป็นกรมลูกได้ยอดใหม่ได้เห็นไม่เป็นยอดใหม่เหนือลูกจุดยอดเหนยผ่านมาทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตีผ่านมาทั้งหมด เห็ไม so well, ่เป็นเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับไากับใจหนึ่งไม่เป็นอะไรไป็นกัมมันตอีกแล้วจบสติชีวิตนี้จริงที่เกิดขึ้นเกิดไปกับใจไม่มีอะไรที่เราไม่เห็นเห็นหมดจึงไม่เป็นอะไรกับมันแล้วก็จบเป็นนัยเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดไปกับใจที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ย ความหลงก้อนเดียวความโกรกก้อนเดียวความทุกข์ก้อนเดียวความพอใจก็ไม่พอใจก็อนเดียวเราเห็นมาแล้วหนึ่งวันก็เห็นหลายอย่างหนึ่งชั่วโมองก็เห็นหลายอย่างถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นแล้วปิดบังตัวเองมืดบอดหลงเป็นหลงกคนบอดทุกเป็นทุกคนบอด บอดจติปัญญาปิดอวิชชาปิดบังไว้หลงเป็นรูปเป็นวิชาเปิดเผยทุกเป็นรูปเป็นวิชาเปิดเผยทุกเป็นทุกเป็นบอดปิดไปแล้วอวิชากับวิชาอาวิชาก coil กับสังขารนามรูปก็ยะตั้งปัจจาระทุกจะลามณโฉกปเทวาทุกวิชาก็ดับไปทางนี้ เราจมีวิชาวิชาตรงที่มันหลงเป็นลูกเป็นวิชาหลงเป็นหลงเป็นอวิชาไม่ใช่ปริญญาที่เรียนมาไม่มีโรงเรียนไหนที่สอนไม่มีสถาบันไหนสอนมีแต่ตัวเรานี่สอนสอนตัวเองเป็นหลงเป็นลูกไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเอง ฮะสมกวรจะเวลา